ยายทำคือผู้ฟังก็ต้องอนุโมทนากรก่อนว่ารู้สึกยินดีที่ทุกท่านเนี่ยสนใจฝักฝ่ายในธรรมะอันนี้แหละถือว่าเป็นบุญคนสมัยนี้นี่ไม่ค่อยสนใจธรรมะเห็นว่าเป็นเรื่องคลุ้克拉สมัยธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของตัวเราแท้เลยต้องแบ่งนะส่วนเรื่องสองพกว่าปีนั้นพุทธประวัติ ธรรมะเป็นเรื่องปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่ยอันนี้คือธรรมะวันนี้ก็อนุโมทนาก็จะมาช่วยแนทําทุกท่านเนี่ยทำจะให้เป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขการฟังธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นบุญการพูดธรรมะก็เป็นบุญการสมพนธนาธรรมก็เป็นบุญเพราะว่าเรื่องที่พูดเรื่องที่ฟังเรื่องที่สัมพนากันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง ทำให้เราต้องเป็นทุกข์แม้ว่าเรื่องที่เป็นทุกข์แต่ก็เป็นเรื่องที่วิธีการแก้ปัญหาความทุกข์เพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างบุญได้นะคะที่เราฟังสร้างความสุขได้บุญเนี่ยวันหนึ่งเราทำได้หลายหลายอย่างคนเรานี่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ก็เพราะว่าบุญรักษาหลายคนเนี่ยอยู่ไม่ถึงวันนี้อลมหายายจาไปก็เยอะคนที่อยู่ถึงวันนี้ได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญ และบุญเนี่ยมีโอกาสที่จะหมดไปได้เหมือนสตางค์ในกระเป๋ามีได้เดี๋ยวมันก็หายไปบุญเนี่ยเราต้องสร้างอยู่เสมอเสมอพอพูดถึงเรื่องบุญเนี่เราก็นึกถึงอะไรนึกถึงการให้ทานการให้ทานก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบุญบุญมีหลายอย่างอย่าเน้นว่าต้องให้ทานอย่างเดียวหรือให้วัตถุสิ่งของอย่างเดียว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 ศินห้าไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนศินแปไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตดเองให้เดือดร้อนสังเกตดูศินแปดนี่ก็เพิ่มอาหารหลังเที่ยงที่นอนสูงใหญ่ดูฟ้อนลำขับล้องเนี่ยอันนี้เบียดเบียนตัวเองนะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่ค่อยได้พักผ่อนอาหารหลังเที่ยงก่อนนอนนี่ก็อาหารที่เกินความจําเป็นอันนี้ถ้าทานแล้วก็อาจจะเบียดเบียนตัวเอง เขาีเขาบอกว่าอาหารมื่อเย็ยนเนี่ยทานแล้วตายผ่อนสงก็มีการสะสมจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบถือศีลห้าศีลแปก็ถือว่าเป็นบุญถ้ามีโอกาสนีศีลห้าแสดงถึงความเป็นมนุษย์ผู้ที่ขาดศีลห้านั้นยังเป็นมนุษย์ไม่ได้ตามหลักธรรมนะการภาวนาก็เป็นบุญภาวนาคือการทําจิตให้เจริญอันนี้เป็นบุญนะ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 อุทิศส่วนบุญไปให้อันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันเช่นเราไปทําบุญมาเนี่ยเราได้บุญอยู่แล้วขณะเราไปทําบุญให้ทานสมอให้ทานแต่เรามาถึงญาพี่น้องเราหรือใครก็ตามเราก็จะพูดว่าเอาบุญมาเพื่อเอาบุญมาแผ่เห็นไหเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบุญทาบุญแล้วก็ได้อครั้งหนึ่งแล้วก็เอาบุญมาแผ่ได้เป็นสองครั้ง บางคนอาจจะสงสัยนะบอกว่าเอ๊ะอาบุญไปแผ่แล้วเนี่ยบุญเราก็หมดแล้วสิบุญเนี่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแผ่ยิ่งมากไม่เหมือนขนมนะขนมยิ่งแบ่งนี่มันน้อยลงนะแต่ได้เป็นสองชิ้นก็ได้แนละ้วขนมเนี่ยแต่จํานวนมันน้อยลงไปเหมือนอย่างกับคบเพลิงเรามีคบเพลิงอยู่เนี่ยเรามีคบเพลิงแล้วก็ไปต่อคนโน้นคนนี้เด็กแต่ละคนก็มีไฟมีคบเพลิงเต็มพร้อมทุกคนบุญเนี่ย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 ล้นากกิเลตัวที่อิจฉาริษยาเห็นใครทําความดีปลอบมือให้เขาอันนี้ถือว่าเป็นการพลอยยินดีเราก็ได้บุญด้วยการฟังทำการพูดธรรมะอันนี้ก็เป็นบุญแล้วบุญอีกข้อหนึ่งคือสําคัญก็คือการทําความเห็นให้ถูกตรง <c oughs> <c oughs> การทําความเห็นให้ถูกตรงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นบุญในขั้นที่ว่าทําให้เรามีปัญญาในภาษาธรรมเรียกว่า สัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องตามที่มันเป็นจริงคําว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นคํำกลางๆนะทิฏฐิก็มีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องอีกกลุ่มหนึ่งคือพิชฉาทิฏฐิในเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมสัมมาทิฏฐิคือว่าเราเห็นว่าเห็นเรื่องกรรมเห็นเรื่องการให้ผลของกรรมอย่างถูกต้องเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความพ้นทุกข เห็นวิธ mm ีการปฏิบ hmm. mm ัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยคือสมาธิเห็นถูกต้องส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมิจฉาทิฏฐินี่อันนี้อันตรายมากเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเนี่อันตรายมากเขาจะบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตก็คือความเห็นผิดอนี้เลวร้ายที่สุดเลยเพราะนาพาไปสู่ความทุกข์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 ก็ไปโทษฝนลืมโทษว่าเราเนี่ยมุงหลังคาไม่ดีแต่ไปโทษฝนเนี่ยมันจงึงมีปัญหาเพราะว่ารู้ไม่ทันตามที่มันเป็นจริงถ้าเรามีสติสักหน่อยเราจะเราจะป้องกันได้ว่าอ๋อสิ่งทต่ายทั้งโปงที่มากระทบต่างตาต่า ง, งหูนี่เี่ยมันไม่เที่ยงเราเรามีสติรักษาใจไว้ไม่ปล่อยให้กิเลส ท, ที่มาทางตาต่า ง, ง, งหูนี่รั่วลดจิตใจเราทุกคนถ้าป้องกันที่จิตใจได้แล้วก็ ให้การข้างนอกเนี่ยไม่มีปัญหาก็มีเรื่องเล่าว่ามีธรรมชาติของลิงเนี่ยลิงนี่เกลียดมากคือกะปิถ้าใครเอาอาหารให้ลิงแล้วก็ทากะปิตั้หน่อยเนี่ยลิงนี่พอมือจับถูกะปิเมื่อไหรแล้วก็มันมันจะเกลียดทันทีเลยจะพยายามถูถูให้กะปิมันหมดไปถูจนกระทั่งเลือดออกมันก็จะดมดูยนั่นดมแล้วก็ถูดมแล้วก็ถูน ให้มันหมดกินกะปิแต่ที่จริงเนี่ยบางทีกินกะปิมันหมดไปแล้วนะแต่กะปิติดอยู่ที่ใจลิงมันก็จริงทคนเราก็าเช่นเดียวกันเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องงานต่างๆนี้มันมันเป็นเรื่องสับสนวุ่นวายเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีงานที่ไหนที่มันไม่วุ่นวายแต่ว่าเป็นวัดใจเรามีปัญหาที่ใจเราว่าเพราะาเราไม่พอใจต่างหากจึงเป็นปัญหางานไม่ใช่ปัญหา แต่ความไม่ได้ย ใ, ใจเราเนี่ยอันนี้คือปัญหาอันนี้เพราะนั้นถ้าใครสามารถรักษาใจไว้ได้ให้รู้เท่าทาันตามความเป็นจริงเนี่ยทุกจะน้อยลงผมเองก็แต่ก่อนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะแต่ก่อนก็เคยสมัยที่การใหม่ๆพศ2522นะประสบอุบัติเหตุเนี่ยกำโดดน้ำลงไปศีรษะไปกระแทกถึงพื้นต่นั้นเป็นครูพระศึกษา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 แต่ก่อนนี้ผมเคลื่อนไหวได้ไม่มากขนาดนี้หรอกอยู่นานๆไปมันก็เคยไปเองก็ฝึกการเคลื่อนไหวเนี่ยฝึกสตินอมพลิกมือเล่นรู้สึกรู้สึกเนี่ยพลิกมือเล่นก็รู้สึกตัวไม่ได้ทำอะไรออกจากงานแล้วอยู่ที่บ้านฝึกที่บ้านนะฝึกปฏิบัติทําอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปที่วัดนีใครก็ทำงานทางกายกันไม่เป็นไรเรานี่ตกงานทางกายมาหางานทางจิตทำ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 ความทุกข์ที่เกิดจากทท้ร่างกายจึงมารู้ความจริงว่าจิตเราเนี่ยความทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่ที่ร่างกายมันที่จิตใจเพราะจิตมีความเห็นผิดว่าร่างกายมันเป็นตัวเราของเราจริงๆที่แท้มันเป็นแค่เครื่องอาศัยถ้าใครยึดติดว่าร่างกายเป็นเราเนี่ยจะต้องเป็นทุกข์นะเพราะเราต้องแก่เราต้องเจ็บและเราต้องตายถ้าเราฝึกนานๆเราจะเข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัย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 คิดมองโลกในแง่ล้ายคนทั่วไปก็คิดแบบนี้พอคิดมองโลกในแง่ร้ายมันก็เท่ากับเป็นการซ้ําเติมตัวเองใช่ไหมแต่พอฝึกสติแล้วเนี่ยมีความรู้ตัวแล้วเนี่ยมันจะมีความคิดอีกแบบนึงที่มองโลกในแง่ของความถูกต้องไม่ใช่ในแง่ของ อ, อะไรแง่ดีนะมันเหนือดีนะมองโลกในแง่ร้ายอันนี้ก็ไม่ถูกทําให้เป็นทุกข์มองโลกในแง่ดีอันนี้ก็ยังไม่ใช่ ที่เรามองแบบ ป, ปลอบใจตัวเองก็ยังไม่ใช่แต่ก็ยังดียังช่วยอะไรเรเรียกว่าช่วยให้อาหารใจไม่เป็นไรเนี่ยเรารับกรรมไปก่อนต่อไปเราก็จะหายเลยนะไม่เป็นไรหมองโรดในแง่ดีแต่ก็ยังไม่ใช่แต่การฝึกสติช่วยให้เกิดปัญญามอโลดอะไแง่งความเป็นจริงอันนี้ถูกต้องกว่ามองโรดอะแง่งความเป็นจริงคือเห็นความไม่แน่นอนของโลกนี้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 อันนี้เหนื่อยหน่อยแต่ดีมีประโยชน์แต่เหนื่อยคนจัดโลกนเหนื่อยนะอจัดใจเราเนี่ยพราะต้องควรจะจัดให้ได้ยังใจเราเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเลแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยดูโลกดูโลกแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกอย่างถูกต้องตามวาระและก็โอกาสอันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอืไม่ค่อยเหนื่อยเนี่ ย, ยผมไม่สบายเลยคนพิการไม่ค่อยได้ทาอะไร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 จะมีวิธีคิดที่ดีอันเนี้ยการภาวนาถือว่าเป็นบุญขั้นสูงสุดในเรื่องบุญทั้งหลายการภาวนาคือการฝึกสติฝึกทําใจให้สงบฝึกติใจให้มีความรู้สึกตัวอันนี้คือนนการภาวนามันแก้ปัญหาตัวเองได้มันทำให้เราไม่มีความทุกข์สิ่งที่ทุกคนปรารถนาคือความสุข แต่ความสุขจะมีได้เต็มที่นั้นต้องเอาทุกจากจิตออกเสก่อนทุกในจิตออกเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวใจก็จะเป็นสุขไปเองเขาบอกว่าศาสนาพุทธสอน เ, เรื่องทุกอันนั้นก็ทุกอันนี้ก็ทุกถูกแล้วแต่ท่านบอกว่าอันนี้ทุกและบอกวิธีการออกจากทุกให้พอสอนเรื่องทุกแล้วเนี่ยพอละทุกได้แล้วสุขมันก็เกิดขึ้นเองมันคนที่อาบน้ําสะอาดแล้วก็ถึงจะสวมเสื้อผ้า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 ทำงานด้วยความรู้สึกตัวอันนี้คือเป็นส่วนของบุญอย่างที่วิทยาลัยพยาบาลสภาการชาติไทยเนี่ยเราสามารถทำบุญได้ตลอดเวลาเลยปสถานที่ที่ผลิตบุคลากรที่ไปให้บริการบุญเหมือนกันยผลิต บ, บุคลากรให้ไปให้บริการบุญเนี่ยโอ้เนี่ยให้บริการบุญเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินคำนี้ แล้วมีหลายคนต้องมาใช้บริการบุญ <c oughs> แล้วเป็นผู้ให้บริการบุญถ้าเราทํางานโดยหน้าที่อันนี้ไม่ได้ตอนนะอันนี้เป็นข้อที่เห็นทํางานโดยหน้าที่สักต่ว่าทําไปเรื่อยๆเราคือลูกจ้างธรรมดานะ <c oughs> ถึงเวลารับเงินเดือนลูกจ้างธรรมดาแต่ถ้าทํางานโดยหน้าที่แต่ทำใจให้เป็นบุญโดยการทําด้วยความเต็มใจเห็นประโยชน์ของงาน มีเมตตามีกรุณาเป็นที่ตั้งด้านจิตใจจะได้ทั้งงานได้ทั้งบุญได้งานแล้วก็ได้ใจด้วยบุญอยู่ที่ใจนะ <c oughs> <c oughs> ได้สองอย่างเลย <c oughs> เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะอาการทํางานเลย <c oughs> ถ้าเรามีสติแบบการทํางานนี่แหละบุญพวกนี้จะเข้าหมดจะมีทั้งเมตตาการุณามีความขยันมีการให้อภัย แล้วก็มีความอดทนอยู่ในตัวเนี่ยบุญทังนั้นนะอันนี้ถือว่าเป็นแง่คิดหนึ่งสมัยที่ผมเรียนหนังสือนะเรียนตอนอายุประมาณ2ี่สบผมได้ไปบริจาคโลหิตเขาก็เอารถมารับไปบริจาคโลหิตพอไปถึงสถานที่บริจาคโลหิตตอนแรกมันก็มีสธา เห็นเขาไปให้ก็ไปให้บ้างเกิดศรัทธาอยากแย่อปจากโลหิตแต่ไปถึงที่นั้นเนี่ยมันเกิดความกลัวกลัวไปเห็นเครื่องมือเห็นเข็มก็เนี่ยยังไม่ทันมาจิ้มเราเลยเรากลัวละเกิดความกลัวความกลัวนี่เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นอคุส น, นะถ้าตายตอนนั้นนะโอ้ตกอบายภูมิเลยแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่นี่รู้จักพูด เขาคงรู้ว่าเรากลัวนะเพราะว่ามีเหงื่อออกซึ้งๆเขาก็พูดโอ้นี่คงจะเดินทางมาเหนื่อยด้ร้อนเงื่อออก <c oughs> เ, อเราก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนจากความกลัวเนี่ยเปลี่ยนมาสนใจเขาพูดดีนะพูดว่าบอกไม่เป็นไรนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายลนะเหงื่อออกนิดหน่อยเดี๋ยวบริจาคเลือดทีหน่อ ย, รดดอยเราก็ได้บุญก็พูดในเรื่องของสะพานบุญนะใจเรานี่กลัวนะเปลี่ยนเป็นศรัทธาเลยนะเปลี่ยนจากความกลัวเป็นศรัทธาเลยนะ ผมว่าผมนี่ได้บุญไม่เท่าไหร่หรอกผู้ที่ช่วยผมนี่แหละคนนั้นได้บุญมากใช่ไหมเขาช่วยเปลี่ยนจากอากุศลเป็นกุศลได้เราเองก็เปลี่ยนใจได้ ใ, ไหให้สักห้าร้อยซีซีหมายอยากจะมันเกิดศรัทธาอยากขอให้สักพันซีซีได้ไหมมันอยากจะบริจาคมากๆอันนี้แหละถือว่าเป็นบุญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะราเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของความสุข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 ก่อนจะตายมีสติรับประกันว่าไม่ตกอบายไม่มีบริษัทประกันชีวิตที่ไหนจะประกันว่าจะไม่ตกอบายมีแต่ประกันว่ามีเงินใช้ในชาตินี้แต่ตายไปแล้วเลิกประกันแต่ธรรมโอสถเนี่ยฝึกให้เรามีสติเป็นอริยทรัพย์ได้ทั้งโรกนี้แล้วก็โรคหน้าอันนี้ขอฝากตังนี้ไปด้วยนะ เรามีโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาพบกับผู้ปฏิบัติที่ไม่ใช่พระนะคะบางคนมาแต่ไกลนึกว่าเป็นพระ <c oughs> แต่ <c oughs> พอดีท่านใส่เสื้อแล้ว่อ ย, ยังชั่วเพราะเมื่อกี้เป็นเสื้อเหลืองมาด้วยบางคนมองมาไกลๆนึกว่าเป็นพระภิกษุนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยรู้สึกมีความภูมิใจที่อาจารย์ให้เกียรติแล้วก็อาจจะเป็นใช้คาว่าธรรมะจาัดสรรก็ได้ที่ทาให้ได้อาจารย์มาเป็นวิทยากรให้เรา แล้วเราก็จะได้เห็นตัวอย่างว่าจากคนที่ถ้าเป็นเราเราคงตายไปพร้อมกับความทุกข์ที่แบกไปสู่โยโมโลกเมื่อประสบอุบัติเหตุและใครจะรู้ว่าอีก2 7สปีผ่านมาอาจารย์กาพลคนที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นจะมาเป็นอาจารย์กาพลคนนี้เราสัมผัสจากข้างนอกเนี่ยยังอาจจะไม่ชัดเจนสำหรับตัวเองได้เคยไปพบแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ ตัวเองมีความรู้สึกว่านี่ก็คือพระองค์หนึ่งเป็นพระข้างในนะคะไม่ใช่เป็นพระสมมุติประทับใจอีกส่วนหนึ่งประโยคสั้นๆว่าขณะนี้ผมลาออกจากความทุกข์แล้วแต่เราสังขารดีกว่าทุกอย่างทุกไม่รู้ว่ากี่ตัน ก็เลยต้องบอกว่าวันนี้ต้องถือเป็นโอกาสดีแล้วก็ยังจะมีอีกหลายคนที่คิดว่าก็คงอยากจะได้อุบายในการออกจากทุกข์เหมือนกับท่านอาจารย์อาจารย์ได้พูดว่าการเจริญสติให้อานิสงส์มหาศาลแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจระหว่างคาว่าสติจะมีอานิสงส์มหาศาลแค่ไหนถ้าเทียบกับสมาธิแล้วมาตะกี้อาจารย์ก็มีพูดคาว่าการทาบุญที่สูงสุดก็คือการเจริญสติ การทำบุญอย่างอื่นให้อานิสง์หรือให้บุญน้อยกว่าอย่างนั้นหรือในบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจก็เลยขออนุญาตเพราะว่าช่วงนี้มีหลายคนที่ก็ยังเงียบนึกไม่ออกว่าจะถามอะไรอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ให้หน่อยนึงค่ะขอบพระคุณมากค่ ะ, ะโนโมธนาเอาการฝึกสติเพรเป็นบุญอันสูงสุดนั้นหมายถึงว่าถ้าไม่สติเนี่ย มันก็ต้องมีสมาธิคู่ด้วยสติคือความระลึกได้สมาธิคือจิตที่เป็นหนึ่งจดจ่ออยู่กับอารมณ์แต่อารมณ์หนึ่งอย่างาท่านิธรรมเนียกำลังฟังเนี่ยมีทั้งสติแล้วก็มีสมาธิถ้าขาดสมาธิจะฟังไม่รู้เรื่องถ้าขาดสติจะไม่จะไม่ได้ยินเสียงสติคือระลึกได้สมาธิคืออารมณ์เป็นหนึ่งสองอย่างเกิดคู่กันแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าอะไรจะมากกว่ากันถ้าสติมาก ก็ถือว่าจะนำเอาปัญญามาใช้ถ้าสมาธิมากมันทีอาจจะขาดสตินะเคยไหมเราเคยดูทีวีอีตอนที่มันตื่นเต้นเนี่ยโหสมาธิมากเลยแล้วบางทีเข้าไปใ น, ในเรื่องราวต่างๆเป็นผู้กํากับมัง่งไปจัดสรรชอบคนโน้นไม่ชอบตัวนี้เนี่ยอันนี้คือสมาธิมากแต่สติเนี่ยจะมีความรู้ตัวว่าอ๋อนี่เรากำลังดูทีวีนะอันนั้นทีวีอันนี้เป็นผู้ดูนะนะ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 แต่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนะแม้แต่ความสงบอาจจะเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์ก็ได้อันนี้เรียกว่าสมถะภาวนาคืออุบายทำใจให้สงบอันนี้ที่เขาบริกรรมมาพุทโธพุทโธสัมมาอรหังอันนี้คือสมถะภาวนาเป็นบุญอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าวิปัสนาภาวนาวิปัสนาภาวนานี่จะเหนือกับสมถะในที่ว่า ทำจิตให้รู้แจ้งทำจิตรู้แจ้งคือเป็นเรื่องของปัญญารู้แจ้งอาศัยความสงบด้วยแต่ว่าสงบแบบรู้เนื้อรู้ตัวสมถะนี่สงบแบบไม่รู้ตัวนะสงบนิ่งดิ่งเข้าชาไปเลยแต่วิปัสสนานี่สงบแต่รู้ตัวผลคืออะไรผลคือตัดเ ส, สึ่งกิเลสซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์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 กิเลสแล้ก็สยบอยู่ชั่วคราวนะใจสงบแต่ว่าถ้าเราเผลอไม่ไทําสมาธิเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านอีกเวลามีใครมายุ่ยไอ้โกรธก็โกรธอีกไม่ได้โกรธหนักแน่นนะสมาธิขี้โกรธโกรธหนักแน่นเรื่องนิดเดียวนะโอโหขุดคุยมาเป็นเหตุผลยาวมากเสร็จแล้วมันก็มัดใจตัวเองให้เป็นทุกข์แต่พอฝึกสติการฝึกสตินี่ไม่มีการบังคับอยากคิดก็คิด จะปรุงก็ปรุงแต่สติรู้ทันแล้วก็ไม่ทําตามไม่กดทับกิเลสโดยแบบสมาธิแต่รู้ทันกิเลสแล้วก็ไม่ทําตามหัวเราอยอะกิเลสจิตมาเลยพ้นออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นเห็นไหมมัน ย, ยาวๆชนะความทุกข์ในตัวเราได้เห็นไหมเรามีโรคขนาดไหนบางคนนี่เวลามีปัญหาชีวิตแค่ทำสมาธิก็หาย บางคนแค่ได้ยินได้ฟังก็เข้าใจแก้ปัญหาใจได้บางคนต้องปฏิบัติทาสมาธิบางคนต้องเจริญสติจึงจะเกิดปัญญาปัญญามีสามขั้นโซนว่าความกโกรธมีคาอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าอะไรความสุขนอกเหนือจากความสงบไม่มีเคยยินไหม ความสงบเนี่ยเป็นความสุขเราได้ยินได้ฟังแล้วเรารู้แล้วโอ้นี่ถ้าใครตอบคำถามได้เนี่ยหรือว่าออกปัญหาว่ า, วาอะไรคือความสุขและตอบความสงบถูกต้องเลยได้คะแนนเลยแต่เรายังไม่เคยรู้จักความสงบเลยเขาเรียกรู้จำรู้จักไว้พูดคุยได้ตอบคำถามได้แต่ไม่เคยทำความสงบแต่พอเราทำสมาธิฝึกทำสมาธิมันจึงเข้าถึงความสงบเห็นไห ต้องใช้ปัญญาในขั้นปฏิบัติคิดเอาก็ไม่สงบยิ่งคิดมันยิ่งไม่สงบนะแต่ถ้กทำสมาธิเนี่ยมันก็สงบได้ปัญญาในขั้นปฏิบัตินั้นเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเจ๊ก็บอกว่าความโกรธไม่ดีใครก็รู้ความโกรธไม่ดีแต่ทำไมจึงต้องโกรธคิดเอาว่าความโกรธโกรธแล้วทำให้ตกนรกทำให้หน้าตาไม่สวย ง, งามนะแกง่ายตายไวเราก็รู้ว่าโกรธไม่ดีแต่ว่าทำไมไมันต้งโกรธนี เพราะไม่ได้การปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติการเอาชนะความโกรธนั้นไม่ใช่คิดเอาบางทคีคล้ายครวนนะแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งโกรธก็มีนะโอ้คิดทีรไเเร เ, นนเราเป็นคนถูกเสมออีกคิดเรายิ่งเป็นคนถูกยิ่งเราเป็นคนถูกเรายิ่งเรายิ่งทุกข์บางทีคนถูกนี่ทุกข์หนักนะแต่พอฝึกสติเนี่ยมันรู้จักปล่อยวางเออถูกมันก็ไม่เที่ยงปล่อยวางความโกรธได้ต้องฝึกจิตโดยใช้สติสัมปชัญญะ ถามอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้ไดได ฝ, ฝึกสติตามแนวของหลวงพ่อคำเขียนนะคะ <ynen. S 1> อเอิญว่าตัวเองก็ได้ศึกษามาบ้างในแนวว่าในแนวของท่านนะคะคนในแนวของหลวงพ่อเทียนคราวนี้อาจารย์เป็นอมพารนะคะแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่สามารถจะทําจังหวะตามที่หลวงพ่อเทียนท่านได้แนะได้นะคะครับอาจารย์แค่พลิกมือเนี่ยนะคะ อย่างเดียวหรืออย่างไรคะแล้วก็ความทุกข์เนี่ยมันหายไปตอนไหนอยากให้อาจารย์ช่วยค่ะมันมีช่องให้ทุกข์มันออกคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลายแบบเห็นไหมนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกการบริกรรมพุโทโธการหลับตาเนี่ยการเดินจงกรมเนี่ยซึ่งทุกอย่างเนี่ยผมทําไม่ได้หรอกอย่างแนวที่นอนแล้วก็หลับตาเนี่ยโอ้โหผมหลับตาแล้วหลับในเลยนะ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 ยกมือรู้สึกเอามือเข้าให้รู้สึกตัวก่อนผมยกนี้ไม่ได้หรอกอยู่นานไปมันเลยทําได้แต่ก่อนนี้ผมมีการเคลื่อนไหวแค่มือขวาข้างเดียวมือซ้ายนี่ก็ยังขยับไม่ได้นะ่ะนิดหน่อยจะจะจับมือซ้ายต้องอาศัยมือขวาช่วยแบบเนี้ยใช้มือขวาข้างเดียวก็ทำไงเดินจงกรมก็ไม่ได้นั่งหรือก็นอนเนยก็นอนก็นั่งพลิกมือเล่นที่ก็นอนพลิกมือเล่นอย่างเงี้ยให้มันรู้สึก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 ตอนนี้เราก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดแต่ถ้าเราขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยมองลงมาเนี่ยเป็นภาพเบิร์ดไอวีมองลงมานะจะเห็นทุกอย่างพอฝึกสติแล้วเนี่ยจิตมันสูงกว่าปกติของรู้สึกนะมันสามารถเห็นตัวเราแล้วก็เห็นเห็นของความทุกข์คือความคิดเราหลับแล้วไม่ค่อยทุกข์อะไรหรอกแต่ความคิดเนี่ยมันมาปรุงแต่ง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 ฝึกสติเ้าเป็นขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่หนีไม่ไหนนะรู้จักทาหน้าที่เกื้อกูลกันข้นทางนี้นำมาจากค้นเราค้นจากความทุกข์ได้ทุกอยาก่างแก้ได้ทุกโรคไม่ต้องเสียส0สิบาทนอนพริกมือเราก็รู้สึกตัวเนี่ยใ <c oughs> หม่ๆมันก็ยากหน่อยนะเพราะว่ากรรมของเรานะมันจะมีความคิดปรุงแต่งมากการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องต่อสู้กับความคิด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 ตั้ดีแล้วเบื่อก็ทนไปขี้เกียจก็ทนทำไปทีนี้ว่าคนเราเนี่ยเวลามันเครียดมันฟุ้งเนี่ยมันก็อยากออกไปข้างนอกแต่เราไปไม่ได้เรามีวิธีการหนีหนีอารมณ์ทุกโดยหนีฐานรานจิตใจมาอยู่กับสติซะเราก็ไม่ไปกับอารมณ์เห่ น, นั้นความอดทนเป็นคุณธรรมความอดทนเป็นการปฏิบัติธรรมอดทนไว้ก่อนพอทนได้ต่อไปเนี่ย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 พอลืมตาขึ้นมาดูโลกโอ๋อเราเป็นอย่างนี้ไหมก็ไม่ต้องปรับตัวมากแต่คนแบบนี้นี่มาพิการตอนหลังนี่โอ้ต้องทําใจมากอาศัยความอดทนและการขยันการปฏิบัติธรรมเนี่ยใจบรรลุผลนั้นต้องมีความอดทนอดทนต่ออารมณ์ขยันทำบบบใบๆเนืองๆเดี๋ชธรรมะมันก็จะเกิดในใจไม่ยากนะอ่าแค่ถูนี้วมือเราถูนี่มือจ้ะอั น, นี้มือถูกันเบาๆนิ้วชีกวช้กันนิ้วมือเบาๆรู้สึกไหมโอ้นี่บุญมหาศาลเลย รู้รู้ตัวนะ่ไหมทำได้ทั้งวันเลยเวลาใครพูดมากเรานั่งถูนิ้วมืออย่าไปรำคาญก็โรคไม่ชํำทำไม่เสียยรู้สึกตัวนะไม่ต้องไปปิดปากเขาเรารู้สึกตัวนะคน ข, ข้างบนมากเราก็รู้สึกตัวนะนี่แหละมีสติแล้วแต่ขอให้ทนนันานๆหน่อยทำแค่นี้แต่ทำนานๆรู้ตัวนานๆนนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีปัญญารู้แจ้งไปเองอยากรู้ทำต้องรู้สึกตัว ง่ายนะเนี่ยอย่างผมเนี่บางทีมันเหนื่อยนะพลิกมือเหนื่อยนอนกับพิษตาเล่นรู้สึกไงนะกับพิษตารู้สึกบางทีนอนยักคิว้วกสึกกระดิกูเล่นทำไม่ถึงที่มันยากสติเกิดง่ายแล้วไม่มีคครรู้ว่าเราทำอะไรแต่เรากำลังฝึกใจเราเพื่อความพ้นทุกข์กระพิษตาก็ง่ายนะเพราะว่าง่ายกว่าการปอกกล้วยเข้าปากผมปอกกล้วยเข้าปากเนี่ยผมต้องจับแล้วก็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 สิ่นั้นก็จะมีค่าสำหรับเราแล้วเราก็จะขนควายทําสิ่งนั้นอันนี้เป็นเคล็ดลับบางการที่จะไม่เบื่อไม่เซนในการทํางานให้ความสัมพันธ์กับงานงานก็จะดีใครเคยปฏิบัติธรรมบ้างใครเคยทํากรรมฐานบ้างอย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันง่ายไม่ต้องห้ามอะไรไม่ต้อง ม, มันง่วงเราก็รู้ว่ามันง่วงแต่เราอย่าทำตามมัน หาวิธีเอาจิตออกจากความง่วงให้ได um, ้แสดงว่าจ um ิตเราจะได้เข so ้มแข็งขึ้นถ้ามาง่วงเราก็หลับพร้อยแสดงว่าจิตเราอ่อนแอการฝึกจิตคือการฝึกให้มันให้มันรู้ทันอารมณ์ต่างแล้วก็ฝึกที่จะไม่ทําตามไม่ใชความปวดความเมื่อยเนี่ยความปวดความเมื่อยเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราปฏิบัติทำเนี่ยมันปวดเมื่อยเนี่ยถูกแล้วถ้าไม่ปวดเมื่อยเนยหมายถึงคนเป็นอัมพาตถูกแล้วที่มันยังทําหน้าที่ปวดเมื่อยแต่เราก็เรียนรู้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 ใจเป็นปกติพาร่างกายไปกินก๋วยเตี๋ยวซะเพราะกายมันสบายแล้วใจมันก็เป็นปกติเหมือนเดิมคือการฝึกใจเนเพื่อตัวเราแท้ๆเลยแล้วคิดดูแค่หิวแค่นี้เราก็เป็นทุกข์นะแล้วเราจะต้องเจ็บไข้ได้ดป่วยนะต้องผ่าตัดจะต้องตายจากโลกนี้นะและใจเราจะทุกข์ขนาดไหนไไหการฝึกเล็กน้อยเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นฐานของกาลังจิตเอาชนะความทุกข์ที่มันง่ายๆก่อน ต่อไปทุกยากๆนี่ไม่เหลือวิสัยและทุกในอบายเนี่ยโหน่ากลัวมากปฏิบัติทํามือการฝึกใจไม่มีการห้ามอารมณ์อะไรแต่ให้รู้ทันแล้วก็ไม่ต้องทําตามเวลาที่เราทํางานเนี่ยคะ่ะบางครั้งเราก็ไปอยู่กับงานนะครับตรงนี้มันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่เราฝึกสติตัวเองมันก็หายไปด้วยเช่นว่าเราต้องคิด ต้องถกปัญหาต้องอะไรไะเนี่ยค่ะช่วงนั้นนี่เราควรจะทำยังไงคะการทำงานกับการฝึกสติเนี่ยที่มันไปด้วยกันได้แต่ว่าระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะเราต้องอยู่กับสมมติทำไปเถอะแต่ทำด้วยความตั้งใจอาการที่ตั้งใจการฝึกสติเหมือนกันประคองสติไว้ตั้งใจทางานอยู่กับแดนงานในปัจจุบันนั้นอันนี้คือการมีสติ เป็นการฝึกสติที่ไม่ให้หลงลืมปัจจุบันมีความตั้งใจแม้แต่ความคิดความคิดมีสองอย่างคิดแบบไม่ตั้งใจคิดพ่อมเขียนบอกว่ามันลักคิดมันขโมยคิดแช่เรานั่งทำงานเนี่ยมันปรุงลนะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นก็อร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวสี่โมงต้องไปรับลูกอันนี้เป็นเขาเรียกมันเป็นลักคิดเป็นความคิดที่เราเราไม่ได้ตั้งใจคิด แต่การทํางานเนี่ยเราตั้งใจคิดเลยใช่ไหมคิดวางแผนคิดแก้ปัญหาอันนี้คิดด้วยสติไม่ผิดอะไรคิดไปเลยทําด้วยความตั้งใจอันนี้เป็นตัวปัญญาใช้ความคิดไม่ได้ตูกความคิดใช้เพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยถ้าอยู่กับปัจจุบันอยู่กระดานงานเนี่ยถือว่ามีสติแล้วอย่างน้อยถ้ามันตั้งแล้วไม่ได้ก็หยุดสนิดหนึง่งหยุดให้สติมันเกิดคือเว้นวักให้สติมันเกิดสนิดหนึ่งแล้วค่อยทําไปก็ดี ทำอย่างมีสติทําด้วยความตั้งใจเนี่ยถือว่าเป็นการฝึกสติอในแดนงานแล้วแต่อาจจะได้ระดับหนึ่งเพราะอยู่กับสมมุติตทํำไปเรื่อยๆและสังเกตดูใจเราก็ได้เราทํางานไปดูใจเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรใช่ไหมสังเกตดูจิตเราด้วยกายกําลังทํางานใจรู้สึกอะไรรู้แล้วก็ฝึกที่จะปล่อยวางเพราะรู้บางอย่างนี่เราไม่ต้องทําตามก็ได้นะมางทีมันเกิดความไม่พอใจไม่พอใจเราก็รู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไป ถ้าเราขาดสตินี้เราทําตามความไม่พอใจเลยนะถ้ า, ามีสติเนี่ยจะรู้แล้วก็ปล่อยวางอันนี้คือการใช้ปัญญาเอาชนะอารมณ์ตัวเองฝึกบ่อยๆเข้ามันจะชนะใจเราเองได้สังเกตดูใจเนีเขียนหนังสือสังเกตดูใจเราบ้างจะขยับโต๊ะเข้าออกดูใจเราบ้างดูความรู้สึกของเราแล้วฝึกที่จะไม่ทําตามมันบ้างเพราะบางอย่างเนี่ยทำตามใจแล้วมันเหนื่อยใจมันใช้ ทีจ่จริงใจไม่อะไรกิเลสมันใช้ใจเรากิเลสใช้ใจเราใจก็ใช้ร่างกายเราสงสารร่างกายเนาะละครเรื่องนี้ก็สนุกอร่างกายมันก็ง่วงทางตาดูร <c oughs> ่างกายก็ง่วงกิเลสมันก็อยากดูมันต้องมีสติอีกตัวหนึ่งคอยควบคุมมันเอาพอละพอละในเวลาอะไรอย่างงี้นะสติคอยควบคุมทีนี้เอางี้สิถ้าเราเห็นว่าเรามีสติทั้งวันไม่ได้ คนมีสติทั้งวันนี่เป็นพระอหันต์นะงั้นเราเนี่ปุถุชนธรรมดานี่ไม่เป็นไรเรายังบวกพร่องอยู่เราคือผู้เดินทางยังไม่ได้พูดที่ถึงทางถึงที่ใช่ไหมเราพบทางแนละ้วคือทางเดินการปฏิบัติเนี่ยคอยสังเกตดีเราหลงลืมตอนไหน <c oughs> เรามีสติทั้งวันไม่ได้ไม่ไรแต่สังเกตว่ามันลืมตอนไหน <c oughs> พอลืมปั๊บนี่สติเกิดแล้วพอรู้ว่ามันลืมเนี่ยโอ้แต่ว่าเรามีมีรู้แล้วนะ ค <c oughs> อสังเกต ด, ดูง่ายๆกำลังทํางานอยู่นี่กำลังเพลิดเพลินเอะเลยนีย่ได้แล้วคะแนนสติสะสมเรื่อยๆใหม่ๆต้องสร้างแบบเนี้และต่อไปเนี่ยเขาจะมาเองเขาเชื่องเขาซื่อสรรัตย์มากสติซื่อสัตย์ละคในใกล้ตัวเลยเราสร้างบ่อยๆเดี๋ยวเขาจะมาเองตอนนี้เราสร้างในแค่นี้นะแล้วพรุ่งนี้มันลืมนลมาเรื่องตอนเราจะตายเนี่ยมันจะมากขนาดไหนทําเหมือนอะไรเหมือนแม่ไก่ กบไข่โอ้โหนะสองอาทิตย์นะอดทนกบนานหน่อยถ้าเรากำลังมีความทุกข์ให้เราวางใจว่าเรากำลังสร้างบา ร, รมีเรากำลังสร้างบา ร, รมีเหมือนอย่างคนจะเป็นนายแพทย์ได้เนี่ยต้องสร้างบา ร, รมีคือสร้างความพร้อมที่จะเป็นนายแพทย์คือผ่าตาัตะพืชหาความรู้ตะพืช สร้างบารมีผู้ริจ้าก่อนจะเป็นผู้ริจ้าได้นั้นต้องสร้างบารมี Hundred. หลายภพหลายชาติเรามีความทุกข์เรากำลังสร้างบารมีสร้างความพร้อมที่จะดับทุกข์แต่ถ้าเรากําลังมีความสุขนี่เรากําลังใช้ใช้บุญเพราะฉะนัน้นการสร้างบารมีจะดีกว่านะทุกข์มันสอนให้สร้างบารมีถ้าชีวิตกําลังมีความสุขถือว่าสร้างบารมีถ้าชีวิตกําลังดีถือว่าใช้บุญ สังเกต น, นะมันหลงตรงไหนก็รู้ว่ามันหลงจะทำได้ทั้งวัน